ถามตัวเองเมื่อวานทำความดีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก่อนที่บ้านเมืองจะเลวร้ายไปกว่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนถวายเป็นราชพลีถวายเป็นพระราชสักการะเถอะครับความดีทำยากก็จริง แต่ก็ทําได้ที่ว่าทํายากนั้นเพราะอะไรลองถามกันเดี๋ยวนี้สิครับถามตัวเองว่าเมื่อวานคุณทําความดีอะไรบ้างใครตอบได้บ้างไหมครับว่าเมื่อวานคุณทําความดีอะไรบ้างหลายคนเงยหน้าขึ้นไปมองเพดานคิดไม่ออกเพราะใจเราไม่ได้ติดอยู่กับการกระทําเมื่อวานทําความดีอะไรบ้าง เห็นไหมครับคําถามง่ายๆที่ดูเสมือนว่าจะตอบได้ง่ายๆแต่เอาเข้าจริงลองถามตัวเองสิครับว่าเราทำอะไรดีตอบยากครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตื่นเช้าแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จไปยืนที่หน้ากระจกถามคําถามนี้กับตัวเองเมื่อวานนี้ทำอะไรดีบ้างและพยายามแสวงหาคําตอบ ระลึกได้ความปลื้มปิติเกิดขึ้นกับหัวใจทำให้เป็นกิจวัตรแล้วทีเนี้ยคุณจะจำในสิ่งที่คุณทำดีแล้วมันจะเป็นตัวเบรกไม่ให้เราทำชั่วด้วยทำนะครับทำตั้งแต่วันพรุ่งนี้แต่งเนื้อแต่งตัวให้สะสวยก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วไปยืนถามตัวเองว่าเมื่อวานนี้เราทำดีอะไรแล้วจะเกิดความปลื้มปิติอย่างมากเลย แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจว่าวันนี้จะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อพรุ่งนี้เช้าจะได้ตอบตัวเองหน้ากระจกได้ว่าเมื่อวานนี้ได้ทำดีอะไร